อันศรีนักัจจา จรนาทำไปเรื่อยสัตว์โลกสัตว์โลกโลกมนุษย์วุ่นวายไม่สิ้นสุดบาปบุญคุณโทษใจสงสัยดอกไม้ปริเบ่งบานตามการไป ฐานนันดอนใช้แค่หมอกควันมั่งมีสีสุกสิงย่อนยวนก็กวนให้หลงใฝ่ฝันก้าวเดินตามไปไม่เท่าทันหลวมตัวผุนผลันหลงอเวจี มาสรุปตรงที่ว่าหลวมตัวผุนผ๋นลงอเวจีก็คือตกไปสู่ทุกขติภูมิขึ้นต้นก็คือสัตว์โลกสัตว์โลกแล้วก็โลกมนุษย์ที่วุ่นวายไม่สิ้นสุด บางคนก็สงสัยในเรื่องคำวมบาปบุญคุณโทษและก็มนุษย์ก็ไม่ได้กำหนดในการเวลาสมัยบางคนก็หลงตัวเองว่ายังเป็นหนุ่มตลอดสาวตลอดหรือยัง ประมาทว่าตนยังไม่แก่แล้วก็ดิ้นรนที่ไม่รู้จักคำว่าพอสแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจจิงแช้งว่าฐานนันดอนไซแค่หมอกควันพอมากระทบแล้วก็จางหายไป มนุษย์ก็หลงกันในความมั่งมีสีสุขเป็นสิ่งที่ยั่วยวนให้มนุษย์เกิดความหลงใจก็ไม่เกิดสมาธิก็ถูกก่อกวนขึ้นทำให้หลงหลงจนเพอ้อฝันไปเรื่อยไม่ตื่นนะ ไม่ตื่นเหมือนหลับฝันยิ้มหวานอยู่ไม่ตื่นใช้ชีวิตไปชีวิตมาก็เหมือนกับเราก็หลงเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ ร, ยเรยืเดินจนไม่มีสติไม่รู้เท่าทันไม่รู้เท่าทัน เกิดความประมาทเลินเล่อเครือบเคลิ่อวันไวหวละหลวมที่สุดไม่ใช้สติปัญญาใช้เพียงแต่อารมณ์ความรู้สึกถึงบอกว่าผลิผั น, ผลนแล้วก็ตกลงสู่อาเวจี ก็คือชีวิตไม่มีความสุขชีวิตก็มีแต่ความวุ่นวายสุดท้ายก็โทษกันไปโทษกันมาอาจจะมาเฉยๆตอนนี้ใครว่าใครช่งชั่งเถอะ ใครชูใครเชิดช่างเขาใครดา่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอคนพูดไม่ดีก็เรื่องของคนพูดไม่ดีพอพูดจบปากเขาก็เน่าเองเราทำในสิ่งที่ดีใครมองไม่ดีมันเรื่องของของเขา เขาคิดแบบเขาเราคิดแบบเราจึงบอกปราดนักปราดบัณฑิตกับคนพานแต่คิดไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันนะโยมอย่าไปเข้าใจว่าความคิดจะเหมือนกันนะไม่เหมือนจึงบอกเออมนุษย์ เมื่อไรจะสำนึกบาปเมื่อไรจะรั่วตนเองให้ร้ายผู้อื่นแล้วก็ทำผิดต่อจิตตัวเองพอรู้ถึงวันนั้นชอกช้ำจนตายยมสังเกตไหมใครก็ตามนะที่สร้างอากุศลเวรกรรมเบียดเบียนให้ร้ายใครก็ดีพอถึงวันหนึ่ง จิตพอตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยวันนั้นแหละเราจะรู้สึกว่าไม่ดีเลยเรานี่แย่มากๆแล้วสุดท้ายเราต้องมาเสียเวลากับจิตที่ไม่ก่อให้กุศลเกิด เราต้องมาโทนทุกเศร้าหมองจิตที่เกิดอกุศลภายในจิตของตัวเองฉะนั้นเราเป็นนักภาวนาปฏิบัติยมอย่าไปเสียเวลากับมนุษย์ที่มีกิเลสมากอย่าไปให้ความสำคัญเขามาก บางคนพอเราไม่ให้ความสำคัญนานๆานไปแรกๆเขาก็เฮิร์ก่อนผิดหวังเนี่ยผิดหวังก็พยายามจะคิดไห้ร้ไปสอิอะไรก็สุดแล้วแต่เขาแต่พอนานๆานานไปเราทำอะไร เรารู้ตัวเราดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นปราดบัณฑิตเนี่ยมันอยู่ที่จิตของคนนั้นไม่ใช่อยู่ที่คนนั้นว่าคนนี้สันเสริญตารมาบอกถ้าเราหลงนะเราก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีสติ ก็บอกให้ผุนผันลงอาเวทีฉะนั้นศีลต้องรักษาภาวนาต้องกำหนดรู้สุดท้ายเมื่อเกิดปัญญาเป็นวิปัสสนาทุกอย่างต้อง ปล่อยวางอาจะมาบอกว่าทุกข์ก็ไม่ต้องยึดมันแต่ทุกครู้ว่าทนได้ยากสุขก็ไม่ต้องยึดทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ไม่ควรยึดไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ควรยึดที่สุดก็ว่างเปล่าใหญ่ต้องมีเวรต่อกันโถมนุษย์ อยู่สักกี่ปีโยมเอ้ยเกลียดกันไปก็แค่นั้นแหละมีอะไรโกรธกันไปโกรธกันมาหน้าดำหน้าแดงเหนื่อยเปล่าเปล่าสู้ปล่อยวางใจนิ่งๆใจล่มร่มใจเย็น เราจเจริญกุศลดีกว่าดีกว่าตรงไหนโยมว่าทำให้จิตไม่เศร้าหมองเออัจธรรมล้วนมีอยู่ให้ศึกษาเราหลงคว้าของเปล่าดูหน้าคำหลงจเจริญเพลิดเพลินในกองกรรม จึงชักนำเวียนไหวในสาครใช้คำว่าหลงนะหลงเจริญเพลิดเพลินในกองกรรมจึงชักนำเวียนไห้ในสาครถ้าใครก็ตามไปหลงคือเราไปหมกมุ่นกับคนอื่นมากไปนะก็ไม่ถูก เราหมกมุ่นกับตัวเองเกินไปก็ไม่ถูกจึงบอกเออคนเราผิดหวังแล้วทำไมไม่ปล่อยวางเราหมกมุ่นกับตัวเรามากมีหน้าคนบ้าคนเสียสติคนวิปริตวิปราตล้วนแต่หมกมุ่นกับ สิ่งนั้นมันมากเกินทิ้งไม่เอาสติเข้ามายับยัง้งไม่เอาสติมากำหนดทำความระลึกรู้จิตว่าตอนนี้ปรุงแต่งอะไรไปถึงไหนแล้วโยมเชื่อไม่ว่าพวกเรานี่ปรุงแต่งไปเยอะมาก เยอะจนบัดนี้จิตของเรามีแต่คำว่าโลภโกรธลงไม่ได้รู้คำว่าละวางเลยท่นบอกเออทำไมทำไมใจเราเนี่ยมันมีแต่ความโลภทำไมจิตเรามีแต่ความโกรธ ทำไมชีวิตมีแต่ความหลงยินดียินร้ายไปทุกทุกอย่างเขาสรรเสริญโยมก็ยินดีใจพองมันลูกโปง่งพอเขาติชินนินทามาโยมใจแฟบเหมือนต้นไม้ขาดน้ำ เราต้องกำหนดดูว่าคนที่พูดเป็นปราดหรือเป็นคนเสื่อมด้วยตมาบอกโอ้อย่าเอาเวลามาไร้สาระกับใครอยากที่ไม่ก่อประโยชน์เลยไม่อย่างนั้นเวลาเรามันมีไม่พอนะ่ะถ้ายมมามัวเสเวลาเสเวลากับสิ่งที่ไร้สาระ อยากให้คนอื่นสรรเสริญไม่อยากให้คนนั้นนินทาบอกโอ้ยพุทธปฏิมายังราคินลเลยโยมเอ้ยคนนี้มาก็ว่าหน้าไม่ยิ้มเลยองนี้แนะ่พอมาอง์นี้บอกเกตไม่สวยเลยแนะ่นี่พวกช่างตินะนี่ช่างระยำบนะุเลยช่างติ ติแก้ไขดีแต่ติแบบให้คนอื่นเขาโศกเสียใจเนะี่ยไม่ดีที่บอกอมันติเพื่อก่อเนี่ยเาเรียกเป็นปราดบัณฑิตช่วยชี้บอกขุมทรัพย์แต่ถ้าติแล้วทำลายเขาบอกคนนี้คนไม่ดีเช่นถ้าเราเป็นนักปฏิบัติ ใจเราต้องมีสมาธิาโยมทนในคำเขาเขาด่าไม่ได้โยมต้องการแต่คำสรรเสริญไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ต้องอยู่ในโลกใบนี้คนดีคนเลวก็ปนกันไปทั่วไปหมด บางครั้งเรายังแยกไม่ออกว่าคนนี้เลวหรือดียังกั้มกึ่งอยู่มารกับพระเนี่ยไม่รู้นะแล้วต่อให้เป็นนักภาวนาแตมา ก, ก็ไม่ได้ปักใจว่าจะเป็นเตเนนะไม่ได้ปักใจว่าจะเป็นเตเป็นนะไม่แน่าจจะเป็นนางร้ายนางมารหรือเป็นพญามารก็ได้ถึงบอกในที่สุดการวนเวียน ว่าภูมิสัตว์สวรรค์มนุษย์ก็ยังวนเวียนอยู่ในกิเลสตัณหาหนักเบาบางเท่านั้นเองถ้าเราปฏิบัติถึงจุดหนึ่งนะโยมไปยินดีกับซ่วมทำไมนะ แล้วไปพอใจกับหนอนในส้วมเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่เราต้องเอาตัวเรานั้นออกมาจากสิ่งนั้นเสียจึงบอกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกโลกมนุษย์วุ่นวายไม่สิ้นสุดบาปบุญคุณโทษใจสงสัย ดอกไม้ปริเบ่งบานตามการไปฐานนันดอนส้แค่หมอกขวันมั่งมีสีสุขสิงย่วนยวนก่อกวนให้หลงไฟฝันก้าวเดินตามไปไม่เท่าทันหลวมตัวผุนผันลงอเวจี โยมจะไปลงอาเวจีทำไมพุทธองค์ชี้บอกทางแล้วถ้าโยมไม่เดินตามพระคุณชจ้าไม่เดินตามไมชีสัมเนนทั้งหลายอุบาสกวาสิกาถ้าเราไม่เลือกเดินจริงอยู่ว่ามนุษย์บุญกรรมนำแต่งว่าเราเลือกเกิดไม่ได้เพราะ นั้นเราสร้างมาแล้วที่จริงก็เลือกแล้วนะแต่เอาละมาสรุปกันชาติไหมว่าเมื่อเกิดมาแล้วเราเลือกไม่ได้จะจนจะรวยไม่ว่ากันแต่จะใช้คำว่าเราจะเลือกชีวิตที่เกิดมาแล้วเราจะเลือกเป็นแบบไหนคนตายเลือกไม่ได้แต่คนเป็นยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกอย่างน้อยเลือกดีหรือชั่ว อย่างน้อยอย่าบอกว่าชีวิตเลือกไม่ได้สักอย่างบอกเลือกได้อย่างน้อยก็คือดีกับเหลวหรือดีชั่วเลือกธรรมาบอกเลือกชีวิตที่ยังเป็นอยู่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดขนาดร่างกายเรากินของอยากอยาเรายังเลือก สิ่งดีๆทั้งนั้นโดยเลือกผ้าห่มก็อย่างดีเสื้อผ้าก็อย่างดีอาหารก็อย่างดีที่หลับที่อนอนก็อย่างดีเลือกดีหมดเลยถ้าเป็นยกกับยกชั้นดีถ้าเป็นเพชรกับเพชร น, น้ำดีนะและถ้าเป็นคนก็ต้องเลือกเป็นคนดีเราก็เลือก เลือกดีก็ต้องพิสูจน์ว่าความดีจะเกิดยังไงทุกนะระยะทางพิสูจน์แรงมาการเวลาพิสูจน์คนฉะนั้นทุกคนต้องผ่านบทพิสูจน์พูดในนังว่าเหมือนพระเจ้าต้องทดสอบพวกเรา โยมจะเป็นเทพเหรอเทพต้องถูกทดสอบก่อนนะต้องออกเสียงใต้เลยนะออกเทพเนี่ยนะต้องมีบทพิสูจน์ว่า ย, ยมจะเป็นเทพได้ไหมหรือจะเป็นเทพก็แล้วแต่โยมนะพิสูจน์ก่อนว่าได้ไหมพิสูจน์ยังไงมั่นคงต่อศีลธรรมตอกย้ําซ้ำอยู่ว่ารมดี ทุกนาทีทำดีทุกนาทีตอกย้ำอยู่กับศีลธรรมทำดีทุกนาทีเรื่องแก่เจ็บตายเป็นเรื่องเล็กแต่ทำดีสร้างกุศลเป็นเรื่องใหญ่อายมพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนะี่ย เหล่าบรรดาเทพทั้งหลายนะเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือคาว่าใครได้สร้างกุศลมากกว่ากันใครได้สร้างบุญได้มากกว่ากันใครได้บาเพ็ญกุศลได้มากกว่ากันนั่นคือพลังแห่งอำนาจของความดีจำบอกเออหลายคนคาว่าแข่งดี มันคงไม่น่าใช้คาว่าแข่งดีแต่เราแข่งกันเพื่อเป็นคนดีเนี่ยธรรมาว่าคำนี้น่าจะถูกกว่าแข่งเพื่อเป็นคนดีทาไมใช้ว่าคาว่าแข่งก็เพราะเราต้องแข่งกับความชั่วไงคู่แข่งของความดีคืออะไรล่ะก็ความชั่วแสดงว่าโยมต้องแข่งกับความชั่ว เมื่อไรเราอ่อนแอความชั่วจะเข้มแข็งเมื่อไรความดีเข้มแข็งความชั่วจะอ่อนแอโยมจะรบแพ้รบชนะจิตของโยมจะเป็นพระเป็นมารตรงเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราเข้มแข็งหรืออ่อนแอ มั่นคงหรือหวั่นไหวเสียชละหรือเห็นแก่ตัวเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้ขอเป็นผู้ช่วยเหลือหรือทำลายคำเหล่านี้โยมจะต้องเดินไปหาหมดเลยและจะถูกทดสอบถูกทดสอบจนถึงวันตาย แต่คําตอบก่อนจะตายทุกคนจิตรู้ก่อนแล้วอาตมาบอกว่าความตายไม่น่ากลัวเผลอปุ๊บเดียวสิบยี่สิบปีเราก็เป็นหนุ่มใหม่แล้วถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีกกลัวทำไมสูงแก่มีอะไรดีหนังก็เหี่ยวเนื้อก็ย่นคร้งก็ยานตาก็ฟังหูก็ลมตีเข้าตีออกฟันก็ไม่ดี เหลือดีอย่างเดียวคือใจดีนอกนี้ร่างกายชั่วหมดเลยอะไรก็ไม่ดีเปรียบเทียบให้ฟังหูก็ไม่ดีถ้าไม่ดีก็ชั่วแล้วหูนี่ตาก็ไม่ดีอาตาชั่วจะแล้วเทียบให้ฟังสุดท้ายผมก็ชั่วโย่ไม่รักดีร่วงหมดเลย เนื้อหนังมันก็ไม่รักดีและย่อนยานเหี่ยวย่นไปหมดสุดท้ายเป็นรังของโรคยมคิดว่าหมอจะรักษาไหวหรือสุดท้ายหมอก็แพ้คำว่าโรคชาราเพราะเกิดวัละโรควัละโรควัละโรคหมอบอกไม่ไหวแล้ว มนุษจะเสียบใส่อย่างจุดไหนดีรูจมูกก็เสียบพิทาวันก็เสียบแล้วปากก็เสียบแล้วเจาะก็เจาะ อ, อีกแล้วเอวก็เสียบแล้วเอาให้หนักทางเอวแล้วกันเหลืออย่างเดียวคือจิตดีจิตดีขึ้นสวัสดิ์จิตดีไปสุขคติจิตดีคือมรรคผล ที่นั้นพวกเราฝึกฝนมนุษย์ตรงที่เรื่องจิตลุ้นล้วนฝึกอย่างอื่นก็บอกฝึกระเบียบฝึกให้มีวิ น, นัยแต่ฝึกใจเนี่ยฝึกให้ดับทุกข์ได้ฝึกให้พ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็ฝึกจิตตรงนี้ฝึกจนสามารถอยนเนื้อกิเลสสมานทั้งหมด รวมตัวผุนผันลงอเวจีก้าวเดินตามไปไม่เท่าทันแสดงว่าสติเราละลึกไม่ทันการปรุงแต่งแต่ละครั้งสติไม่ละลึกหรือละลึกไม่ทันรู้ไม่เท่าทันยมรู้ไหมว่า เรากำลังสูญเสียเรากำลังสูญเสียกุศลผลบุญที่บำเพ็ญในแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติจ ะ, ะให้กิเลสมาทำลายกุศลของเราอย่าไปหลงกระบอกสัจธรรมล้วนมีอยู่ให้ศึกษาเราหลงคว้าของ เปล่าดูหน่าขำและกลับไปหลงเจริญเพลิดเพลินอยู่กับกองกรรมเบรจริงๆหลายคนนึกว่าทำชั่วแล้วได้ดีทำมันเข้าไปเห็นแก่ตัวมันเข้าไปให้ร้ายก็เข้าไปเบียดเบียนก็เข้าไปมันสนุกตรงไหนสนุกตรงที่ว่ารังแกเขาแล้วตัวเองรู้สึกจเจริญขึ้น แต่มาบอกเข้าใจผิดนั่นคือการทำลายตัวเองเป็นการฆ่าตัวเองเป็นการสร้างบาปมหันรู้ไหมที่ทำเร็วทั้งหมดความเร็วที่ยังไม่ปรากฏที่ตนจะได้รับผลแห่งเวรกรรมอากุศนจิตที่ทำไว้นะ เป็นเพราะว่ากุศลเดิมเนี่ยยังให้ผลอยู่กุศลเดิมยังให้ผลอยู่ยยแต่เมื่อไร่กินบุญเก่าหมดโยมเตรียมได้เลยว่าสิ่งที่จะตามมาไม่ใช่คือความเจริญ และไม่ใช่ความสุขยืนยันได้เขาเรียกว่าหายยันะหายยันะคืนสู่ชีวิตจิตวิญญาณทั้งชีวิตและก็จิตวิญญาณทั้งร่างกายและจิตใจจะโดนรับหมดเลยลมหายใจก็ไม่มีความสุขชีวิตจิตวิญญาณทุก ทั้งกายทรมานทั้งใจโยมโยมยังไม่มีญาณที่จะมองข้ามไปหลายคนกาลังกินบุญเก่าเขาสร้างมาดีนะแต่เสียดายเสียดายตรงก่หลวมตัวเข้าไปแล้ว ผลุนผันเข้าไปลงเอเวจีโดยตัวเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปบุญเก่ายังส่งเสริม่ตมาจึงใช้ว่าสิ่งที่อาจจะมากลัวที่สุดทุกวันนี้คือคำว่ากินบุญเก่าแล้วก็สร้างบาปใหม่แตมาใช้คำนี้ฟังแล้วไม่หยาบนะชิบหายหนอนนะคำ คำพูดแค่นี้ถ้าเทียบกับความจริงนะ่ยไม่ได้เสี่ยวของล้านเลยนะกินบุญเก่าแล้วก็สร้างบาปใหม่ชิบหายหนออย่าเด็ดขาดนยโยมนะอยา่าจนให้กระเพาะสั่นเลยล่ะโยมแต่อย่าไปทำบาปตรงนั้นนะ เราอิ่มเพื่อเราสร้างบาปทำร้ายตัวเองเนี่ยอย่าอย่าทําอย่าทําโยมกลืนยาพิษเข้าไปอาหารกินแล้วเจือด้วยพิษเนี่ยมือนี้ไม่ได้ช่วยชีวิตให้ยืนยาวต่อนต่อให้ได้กินเถอะมันก็คือยาพิษที่ทรมานสู่ความตาย แล้วมีบาปบิ่งสู่ถึงจิตวิญญาณร่างกายตายมันจบแต่จิตวิญญาณมีบาปไม่จบต่อมาละกลัวตรงนี้แหละเมื่อก่อนไม่ลึกไม่ซึ้งจิตวิญญาณเราสื่อกับมันไม่ได้แต่ภาวนาไปเรื่อยๆยมจะสัมผัสเอง เรื่องนี้พูดด้วยปากไม่เข้าใจฟังด้วยหูยังไม่เข้าถึงใจต้องรู้ด้วยใจและใจนั้นสัมผัสด้วยใจแล้วคำตอบใจนั้นจะบอกเองไม่ใช่ใครบอกเราใจเป็นผู้บอกจำไว้อย่ากินบุญเก่าแล้วอย่าสร้างบาปใหม่ใครจะทำบาปตอนนี้ เราก็แผ่เมตตาเขาเถอะเขาต้องสู่ความวิบัติทุกขติภูมิประตูเปิดกว้างสำหรับคนเหล่านั้นสำคัญว่าเราอย่าไปหวั่นไหวกับกิเลสทั้งภายนอกภายในภายในคือใจ ที่มีอนุสัยเก่าภายนอกคือสิ่งที่เราได้เห็นได้ดูได้ยินได้ฟังได้ชมได้สัมผัสอย่าอย่ามะจิงบอกว่าเราไม่มีเวลาที่จะคบกับคนผ่านเราไม่มีเวลาที่จะไปถกเถียงกับบุคคลเหล่านั้นไราสาระ ปล่อยให้กรรมพิพากษาชีวิตสัตว์นั่นเองแต่ถ้าถึงวันที่ควรชี้แจงก็ชี้แจงไปตามเหตุแล้วก็จบตรงนั้นเราหยุดถ้าเขาไม่หยุดบาปกรรมตกอยู่ที่เขาใชนด้านการภาวนาสุดท้ายก็คือยกจิตยูนเหนือ มเมฆหมอกทั้งหลายสิ่งชั่วทั้งหมดมเมฆหมอกทั้งหลายสิ่งชั่วทั้งหมดดกจิตให้เหนือมาทุกอย่างโลกคือละครไงเวทีใหญ่เราเป็นตัวแสดงเราเป็นนักแสดง บาปบุญคุณโทษใจญสงสัยผิดถูกดีชั่วให่หลังเลอีกสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรทำไมลังเลอยู่ที่ควรทำทำไมไม่ทำที่ไม่ควรทำทำไมยังจะฝืนที่จะทำ ถ้ายังลังเลแบบนี้คติตอบไม่ได้ว่าจะไปไหนแน่ฉะนั้นถ้าจะให้แน่วแน่ต้องตั้งจิตให้ดีมีสมาธิพิจารณาก่อให้เกิดกับว่าปัญญาเราไม่จำเป็นต้องทำตามที่เขาอยากให้เราทำ หรือทำตามใจที่เราอยากทำไม่ใช่ทั้งหมดแต่เราจะทำในสิ่งที่ควรทำและเป็นไปเพื่อคุณธรรมศีลธรรมจงนั้นแหละทำให้เยอะวยโยมจำนาจะมาบอกสิ่งที่จะมากลัวตอนนี้สองอย่างหนึ่งกินบุญเก่าสองสร้างบาปใหม่ ชิปขายหนอพูดจริงนะต่อมาก็มีเวลาพูดจริงได้อีกไม่กี่ปีโยมก็จะได้ฟังความจริงได้อีกสักกี่วันกีป่ปีไม่รู้แต่ให้รู้ไว้ว่าอย่า ก, กินบุญเก่าใครที่สบายแล้วก็อย่าหลงเพลิดเพลินอยู่กับความสบายเดี๋ยวจะหมดแล้ว สังขารนี้มันจะร่วงโรยแล้วก็สิ้นหรือบางทียังไม่ทันแก่เลยชีวิตมันก็ดับแล้วรีบสร้างกุศลอะไรก็ได้กีะมนั่งรถมา ย, ยง ยังกล่าวว่าถ้าตอนนี้เรามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเราไม่ได้ดีใจเลยตรงนี้เพราะเราอยู่ตรงนี้เราก็มีความสุขที่เรามีแล้วสุขที่เราประมาณตนสุขที่เรารู้จักเพียงพอเรา มีชีวิตปกติตรงนี้เราก็จเจริญกุศลดีอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีทรัพย์สมบัติมากขึ้นมาอีก <c oughs> ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย <c oughs> นอกจากเราจะเอาสิ่งนี้เพื่อสร้างกุศลต่อ <c oughs> เอาไปทำความดีต่อ <c oughs> เราต้องเหนื่อยอีก ต้องไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์เปิดโรงทานสร้างที่ภาวนาสร้างวัดวาอารามหรือสร้างสิ่งที่เป็นปูชนียสถานขึ้นมาให้เป็นที่กราบสักการะและลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะ เราจะกินมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มกว่านี้ถ้าเราไม่ใช้สมบัติทรัพย์ที่มีก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแถมมีโทษซะอีกเราต้องคอยห่วงเราต้องคอยมาระวังทรัพที่มี เเข้าใจถ้ามีเราคงต้องเหนื่อยอีกนะเนี่ยเพื่อสร้างกุศลทำประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมโลกหรือเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเราก็จะมีคุณค่าตรงนี้เองตัวตายแต่ชีวิตยังอยู่คนยังกล่าวคนยังกราบคนยังสักการะคนยัง ได้มาพึ่งสิ่งที่เราได้ทำไว้ตรงนี้เรียกว่าเราทำให้เกิดเป็นกุศลผลบุญเป็นอริยทรัพย์มันยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์มนุษย์ที่มีไว้เพื่อสนองกิเลสตัณหาไม่คมุบเหนื่อยเกินสิ่งที่ได้มา เพียงวัตถุและชีวิตสั้นๆแล้วเราก็ตายจากไปเออแตมาบอกเราเข้าใจแล้วคำว่าความเพียงพอความพอเพียงพูดตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้หยุดทาหยุดจเจริญอะไรทำได้ทำไปอะไรจะเจริญได้จเจริญไปแต่ว่าใจต้องรู้จักคำว่า รู้ประมาณรู้จักคำว่าสิ่งที่มีอยู่เรารู้จักคำว่าพอพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็จะมีความสุขกับสิ่งนี้สุดท้ายก็วางให้หมดจบให้เป็นก็คือวางให้ได้แม้ร่างกายนี้ที่สุดก็ต้องวาง กำหนดให้ดีไม่อย่างนั้นถ้าเรามีแต่ความโลภโลภโลภโลภเอาไปทำใไ้เงินทองพันล้านแสนล้านพันล้านร้อยรอ ย, รอยล้านเยอะเเยอะเมีแล้วเราใช้อะไรจะซื้ออะไรบอกจะซื้อบ้านมีกี่หลังมันก็คือบ้านซื้อรถมีกี่คันมันก็คือรถนั่นแหละ ไม่เห็นวิเศษกว่า น, นี้เลยซื้อที่ดินเพิ่มอีกซื้ออีกกี่แปลงมันก็คือที่ดินซื้ออะไรอีกโถมนุษย์ไรสาระสุดท้ายมีไว้เพียงแค่สะสมแล้วก็ไม่ได้ใช้สิ่งนั้นเลยนึกว่าฉลาดกว่าคนอื่นที่แท้ไม่ได้เหนือคนเลย เราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักใช้ทรัพย์ไม่รู้จักใช้ทรัพย์เพื่อสร้างกุศลไม่ได้ใช้ทรัพย์เพื่อสร้างบา ร, รมีช่วยเหลือสัตว์น้อยใหญ่ผู้ทุกข์ยากลําบากผู้อ่อนแอหรือสร้างที่พึ่งให้กับมนุษย์ ที่สุดก็คือทรัพย์สมบัติคุณมีไว้แค่สะสมทรัพย์ไม่ได้ใช้ไร้ค่าเก้าอี้มีไม่ได้นั่งหมดราคาน้ำตกไม่มีคนดูความสวยไม่มีอะไรเลยผลไม้มีไม่มีคนกิน มันก็เหมือนไร้ผลชีวิตคนไม่รู้จักการสร้างกุศลมันก็คือคนที่ไม่รู้จักชีวิตเสียดายเสียดายดิ้นรนมาถึงที่สุดสุดท้ายเหลือแค่ความยึดมั่นถือมั่น ไม่ใช่ปัญญาเหลือเพียงความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่อิสระเหลือเพียงความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่คนเหนือโลกแต่เป็นคนถูกโลกนี้ทับเอาไว้น่าสงสารที่สุดน่าสงสารที่สุด ทุกตั้งแต่เริ่มจากไม่มีและก็ทุกตอนแสวงหาเพื่อให้มีและก็ทุกตอนแสวงหาเมื่อมีแล้วก็ยังทุกอีกนี่หรือคือสมบัติมนุษย์ตรรมะบอกมนุษย์ไม่รู้จักใช้ทรัพยา ม, มีชีวิตอยู่ ตายไปมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยทํกทไมไม่ใช้เสหามาเป็นแล้วทําไมไม่ใช้ให้เป็นกเออมนุษย์ฉลาดในเรื่องสร้างทุกข์ไม่ฉลาดในเรื่องดับทุกข์มนุษย์มีแต่ยิตมั่นถือมั่นมนุษย์ไม่รู้จักปล่อยวาง ความผิดพลาดมนุษย์ไม่รู้จักปล่อยวาสุดท้ายชีวิตเป็นได้ก็เพียงแค่กองขยะยอมเชื่อไหมพวกเราใช้ไปใช้มาในชีวิตมันเหมือนขยะเอามารวมกันก็เหมือนกองขยะมันเหมือนหอบฟางมาเผาตัวเอง โยมหอบสมบัติมามากองมากองมากองมากองมันก็เหมือนหอบฟางมารวมรวมไว้และโยมก็นอนทับมันไว้ก็ได้เอาโซ่ผูกไว้กับข้อมือลัดไว้กับเอวผูกติดไว้กับขาอย้า้มันไปไหนนะั่นต้องอยู่กับเราแหมเราหามาด้วยความยากลําบากกว่าจะได้ต้องคดต้องกกงมาอีกโอ้โหลําบากลําบนต้องแย่งต้องชิงพี่น้องมาอีกสารพัดที่จะพูดเอาโซ่ผูกเอาไว้ แล้วก็เขียนว่าทั้งหมดของกูคนเดียวบ้าไหมเนะี่ยนึกภาพดูบ้ายิ่งกว่าบ้าใช่อีกบ้าแบบทรมาร์ในนี่เ อ, อในที่สุดคุณได้อะไรจากสิ่งที่แสวงหามาตอบให้ฟังหน่อย ถ้าแค่เพียงอาหารไม่ถึงขนาดนี้เราความลำบากไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นไม่ต้องไปคดโกงถึงขนาดนั้นไม่ต้องขยายบริษัทไปถึงขนาดนั้นถ้ามีเพื่อเก็บสะสมประโยชน์มันก็ยังไม่เกิดทำมันกับชีวิตจะไม่ตาย ตายสุดท้ายยังเอาตัวไม่รอดเลยเดินก็เป๋ไปเป๋มาดีไม่ดีสุดท้ายกองฟางตกทับตายเลยเกิดท อ, องเท่งเท่าเทาขาล่วงลงมาใส่หัวตายคาที่โอ้โชคดีตายพะทองทับใส่หัวเนี่ยนะโชคดี มันต่างอะไรจากหินตกใส่หัวมันก็ตายค่าเท่ากันเราไปหลงค่านิยมโหหลงชื่นชมค่านิยมบกเพลิดเพลินในกองกรรมก้าวเดินตามไปไม่เท่าทันล้วมตัวผุนผันลงอาเวจีที่สุดมนุษย์กลับไปตกนรกอีก ไหนบอกว่าต้องการความสุขแล้วทำไมต้องไปตกนรกด้วยต้องการความสบายแล้วนรกมันสบายตรงไหนที่เราต้องการมันค้านหมดเลยต้องการความสุขต้องการความสบายไม่อยากลำบากแต่ชีวิตสุดท้ายจิตปิญญาณลงสู่อเวจี ทั้งลำบากทั้งไม่สบายและเป็นทุกข์และมีแต่ความดิ้นรนด้วยความทรมานตเราอยู่กี่ปีตมาบอกว่าร้อยปีหย่อนลงมาหย่อนลงมาเยอะเลยแล้วเราทำไมไม่สร้างบารมี เป็นเพราะเรายึดติดมันถ้าเราทุกข์เริ่มจากไม่มีแล้วมาสแสวงหาพอมีเสร็จความทุกข์นั้นดับต่มาบอกเออคนนี้มีปัญญาแต่ไม่ใช่ทุกข์ตั้งแต่ไม่มีสแสวงหาให้มีก็ยังทุกข์มีแล้วก็ยังทุกข์แล้วก็มาทุกข์กับคำว่ามี ไม่รู้จะวางยังไงจะให้ใครไม่รู้จะทำยังไงโยมต้องหาตัวตายตัวแทนมารับมรดกเจาฝังไว้ก็กลัวไม่มีใครรู้จะตั้งไว้ก็กลัวคนเห็นเอาและกูทำไงดีฝังก็ตายไปกลัวไม่มีคนรู้จะให้คนอื่นเขาดูให้เขาเห็นก็กลัวเขาจะมาปล้นขี้ขโมย เอาทาเป็นลายแทนไว้ขุมทรัพย์ลายแทงเขียนว่าใครเป็นผู้มีบุญวาสนาก็จะพบลายแทงฉบับนี้โธ่มันก็ยังโง่เหมือนเดิมนั่นแหละใครพบใครเจอยมก็ยังโง่เหมือนเดิมเพราะอะไร เราก็ยังไม่ปลดปล่อยตัวเองทำไมไม่เอามาสร้างบารมีผู้ตรงนี้นะทำไมเราไม่รู้จักสร้างบุญกุศลทำอะไรก็ได้เปิดโรงทานเลี้ยงผู้ยากไร้ห้าวันสิบวันเดือนหนึ่งเลี้ยงปิดที่ไหนกันดานดูเหมาะสมเอาสร้างโรงเรียนสร้างขึ้นไป มีเงินมีทองอยากสร้างโรงพยาบาลเหินคนเจ็บป่วยไข้สงสารก็สร้างขึ้นไปตัวตายแต่ให้ชื่อสถิตไว้อยู่ด้วยความว่าดีคุ้มนะเราเหนื่อยมาเพื่อสร้างความดีเหนื่อยมาเพื่อสร้างกุศลดีกว่าเหนื่อยมาและตายเปล่า ถ้ายมแค่เอาเงินไปซื้อโจ๊กกินแล้วทำไมบอกไม่ถึงขนาดนั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่พอเรามีขึ้นมาคนมันหลงพอมีก็อยากได้พออยากได้ก็ยิ่งอยากไปอีกอยากๆยากไม่รู้จบแล้วถามว่าเอาไปใช้อะไรยมตอบได้เลยยัง เอาไปใช้อะไรอีกแล้วอีกแล้วซื้อที่อีกแล้วอีกแล้วซื้อรถอีกแล้วเอออีกแล้วซื้อบ้านเออมันกี่หลังแล้วแล้วจะได้นอนไหมเนี่ยซื้ออะไรอีกสร้อยโอเป็นหอบแล้วอะไรอีกซื้อซื้ออะไรอีกมีแต่ของนอกกายทั้งนั้น คุณไม่เคยให้จิตนี่หลับสบายเลยนอนนอนฝันก็มาปล้นจะดุ้งหอบเหา่าอนี่ฝันไปหรือเนี่ยแถมโดนก็ยิงด้วยเมื่อกี้ฝันแย่งสมบัติไม่ยอมโจนยิงปึ้งตื่นกันมาหนึ่งว่าตายแล้ว โ, โชคดีนะั่นฝันไป แล้วนึกว่าทรัพย์นั้นจะไม่จากเราไปหรือจะมาบอกไว้สองอย่างกฎของชีวิตหนึ่งเราไม่จากสิ่งนั้นไปสองสิ่งนั้นก็จากเราไปเหมือนเราไม่จากเขาก็เขาจากเราจะมานั่งดูแล้วอะไรทุกกว่าอะไรเจ็บกว่าอะไรเสียใจกว่าระวังเขาจากเราไป กับเราเดินจากเขาไปตามานั่งกําหนดหลายปีละคํานี่ยตมาบอกเขาจากเรามันก็ทุกเราจากเขามันก็ทุกเมื่อขึ้นชื่อว่าทุกคือสิ่งที่ทนได้ยากมันเท่ากันติดหนี้เขาร้อยหนึ่งก็เป็นหนี้ก็ทุกติดหมื่นหนึ่งก็ทุกล้านร้อยล้านก็ทุก ติดนี่ร้อยหนึ่งไม่มีเงินจ่ายมันก็ทุกเหมือนกันเลยัยทุกแบบสาหัสเลยนะติดเงินล้านหนึ่งก็ทุกไม่มีให้เขาถ้าติดแล้วมีเงินจ่ายเขามันก็จบท่บอกระหว่างกินไม่ลงกับไม่มีกินมาก็นั่งถามต่อนะใครทุกกว่าท่านบอก็พอๆกันนะไอ้นี่มันมีกินแต่มันกินไม่ได้กินไม่ลงแล้วจะตายแล้วเนะีย อั น, นี้กินได้แต่ไม่มีกินยืนมองก็อยู่อันนี่ก็จะตายเหมืนอนกันพอๆกันไม่มีกินกับกินไม่ลงนะเนออี่ยก็คือทุกมันก็คือทุกจุ๋มใหญ่บ่ทุกแล้วมันแหมทุกคนนี้น้อยกว่าคนนั้นมากกว่าจะเอาเราไปตัดสินเรื่องหนึ่งจบมีเรื่องใหม่ให้ทุกข์อีก ก็เคยมีไม่เวลาทุกบอกแม่ทุกนี่มันน้อยจังนะทุกคือสิ่งที่ทนได้ยากคําเดียวกันหมดถึงบอกเมื่อถึงจุดนึงทําไมโยมไม่สร้างบารามีทําไมไม่บําเพ็ญบุญทําไมไม่สร้างกุศลบุญเก่าเราไม่กินเราสร้างบุญใหม่ บาปกรรมใหม่เราไม่สร้างเราสร้างแต่กุศลกรรมดีใหม่อาจจะมากล้าพูดเลยว่าต่อให้ชาตินิยมจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนทำดีแล้วความดียังไม่ปรากฏทนอีกนิดหนึ่งทนอีกหน่อยหนึ่งจนสุดท้ายแม้ลมหายใจจะดับ โยมก็ต้องยึดถือว่าหรือเชื่อมั่นนะใช้ว่าเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทาดีทั้งหมดมันคือความสุขเริ่มจากใจของเราก่อนถ้าโยมเริ่มจากใจของตัวเองมีความสุขได้ทุกอย่างจะตามมาหมดเลยฉะนั้นกุญแจดอกสำคัญหัวใจโยมต้องเบ่งบานก่อน เมื่อก่อนอาตมาสงสัยเมื่อไรสร้างกุศลสร้างความดีกรรมดีเราจะได้รับผลดีสักทีนะเมื่อไรเราจะได้เจริญสักทีหนึ่งเมื่อไรเราจะได้มีความสุขสักทีหนหาไปเถอะไม่มีเจอหรอกแต่วัน น, นจิตอาตมานี้สัมผัสบุญได้วันนี้ทำบุญน้ำ ใ, ใจมันสบาย มันเบามันเย็นมันมีความสุขมันมีมันเหมือนกับมีแสงสว่างบางๆอ่อนๆนุมน่มๆเกิดข้างในมันเหมือนมันมันเหมือนมีทิพอะไรไม่รู้สักอย่างเกิดกับเรามันเป็นสิ่งที่แปลกใจนะมาเกิดจริงๆนะ แล้วรู้สึกตัวเรามันสว่างขึ้นผิวกายเราสึกมันนวลมันใสขึ้นในขณะนั้นนะมันจะสว่างไม่ใช่ตลอดนะมันจะมีการสง่งแสงสว่างหรือรัศมีมันจะออกหรือบุญมันปรากฏบางทีบุญเป็นแบบนี้เองความสุขจากการทำบุญเป็นอย่างนี้เองอานิสงส์แห่งการทำบุญจิตเป็นแบบนี้เอง มันแปลกนะและถ้าโยมสัมผัสได้เพียงครั้งเดียวและความสงสัยในเรื่องคำว่าความดีความชั่วคำว่าบุญบาปนี่จะหมดไปเลยต่อจากนั่นมาเนี่ยเราไม่สงสัยอีกเลยทําทแล้วเรารลลจิตเรามันเหมือนทางมันมีให้แล้วเหมือนเรามีกุญแจเราเปิดไขได้ปุ๊บ ต่อจากนั่นนะเราจะรู้เองเลยถึงไม่มีที่บอกเป็นแสงสว่างไม่มีอาการแต่ใจเนี่ยมันก็ยังสัมผัสรู้ว่าอเออเออเอเอคืออะไรไม่รู้มั้เออใช่มั้งถึงบอกภาษ า, ษาจิตเนี่ยไม่ใช่เป็นคำพูดที่เรามาสมมุติพูดกันได้หมดนะบางเรื่องเนี่ย เอาคำว่ า, าวิเศษโย ม, ยมสมมุติยังไงวิเศษพูดดิจิตวิเศษโยมพูดดิจะเริ่มตรงไหนเราไม่รู้มันบางอย่างใจที่มันสัมผัสเนี่ยบอคือเรารู้แล้วพอโยมเข้าใจตรงนี้นะคนนี้จะไม่มีคำว่าความเรนิอีกเลย เพียงแต่ ว, ว่าต้องมีสติสัมปชัญญะคือรู้ประมาณว่าเออประมาณเท่าไหร่ประมาณยังไงควรทำยังไงเรารู้ประมาณแล้วแต่เราจะไม่เพิกเฉยต่อการทําบุญมันเหมือนเราได้พบสวรรค์แล้วพบสวรรค์นคนที่ได้ขึ้นตั้งแต่ยังไม่ตาย น, ะนั่นเรียกว่ามีสุคติอันเป็นที่หวัง ถมายิงบอกมาไม่กลัวนรกเลยใครจะว่าจะเลวแสนเลวว่าไปเธอคุณหยุดพูดเมื่อไหร่ปากคุณก็เน่าเมื่อ น, นั้นให้เขาว่าไปเถอะยนั่นมันเขาคิดวิธีคิดของเขาวิธีเห็นของเขาวิธีพูดของเขาเออเออให้ให้เขาไปแต่ใจเราต้องเมตตานะเมตตาเมตตา บริสุทธิ์อิสระปัญญาจำนะเมตตาบริสุทธิ์อิสระรวมกันเข้านั่นแหละคือปัญญาที่หลุดพ้นปอดใจเรารู้แล้วต่อมาบอกนรกต่อมาไม่กลัวพูดอย่างนี้ไม่ได้ท้าทายนารกนะเมื่อก่อนนี้กลัวกลัวจริงๆ ไม่มีแสงไฟมีแต่เพลิงที่ขึ้นมาวูบวูบแล้วก็หายไปไม่มีความสุขมันเหมือนคล้ายๆเป็นสุนอากาศนะคล้ายตรงนั้นนะมันทุกอย่างมันเหมือนถูกสะกดหมดเลยอํานาจของใครที่ว่ามีทั้งหมดนะไม่มีความเก่งของคนความโอหังไม่มีอะไรเลย มีแต่ความเจ็บปวดความทุกข์แล้วก็ทรมารเจ็บปวดทุกขทรมารแล้วก็ใช้วันเดือนปีของวิบา ก, กรรมเท่านั้นไม่มีคำพูดไม่มีคำแก้ตัว บทสิ้นบาววิบา ก, กรรมนี้เขาให้ไปแก้ไขเท่านั้นแต่แก้ตัวไม่ได้โอ้โหอาตมาว่าเจอไอ้ที่เยี่ยมเพี้ยมแล้วเอาปืนจีงหัวสิบกระบอกนี่ไม่ตกใจเท่ากับตรงนั้นเลยที่น่าสะพรึงกลัวมันเหมือนมีอานาจสะกดมันแปลกจงว่าร่างกายของเราดูเป็นมนุษย์นะแต่มันเหมือนโปร่งแสง มันซ้อนกันได้ไม่มีเต็มทรมานอยู่ได้ตายฟื้นตายเกิดบอกตายห้าร้อชาติจะบอกออสร้างกรรมขุมนี้ตายพันชาติตายหมื่นชาตาิตายเกิดตายเกิดทรมานตายแล้วก็ถูกลมเย็นมาเกิดถูกน้ําทิพมาเกิดแล้วก็ถูกทรมานต่อไปอโอ้ยเวรกรรม ใจไม่ดีไว้พุโทโธก่อนดีกว่าพุโทโธพุโทโธใหญ่เห็นเรานะพุโทโธพุโทโธพุโทพโธพทโกัวเอาเล่าว่าเป็นความฝันอลไรกันว่าครั้งหนึ่งเหมือนได้ลงไปนรกเดนนรกมันแปลกตรงไหนไหม ประตูมันเหมือนคล้ายๆถ้ามีนายทวารยืนเสื้อไม่ใส่มีหัวกระโหลกค่อยอยู่ที่ที่คอถือสามง่ามบ้างถือตรีบ้างถือลาวบ้างดุกํายำหมดนะ มาทำไมพูดไม่เป็นไม่เหมือนแบบไม่ไม่มีมิตรภาพไม่มีไมตรีกันเลยมาทำไมปะเธอมาบอกมาซื้อดอกไม้ดิแล้วก็ถามดอกอะไรใครจะไปรู้แล้วมาซื้อดอกบัวไม่ได้มีคนรหัสเขาบอกที่นี้เข้าไปไม่ได้มีแต่คนบาปตอนนั้นที่เข้าไป ก็มีการต่อรองกันพูดบอกเราจะเข้าไปพิจารณากรรมที่เราได้สร้างกรรมหมว่ากรรมที่เราเคยทำไเราจะได้เอาไปแสดงธรรมเปิดให้นะโอ้บอกเข้าไปใหญ่เกินกว่าที่คิดว่ามันคือมาเลยโยมแต่ไม่มีแสงไฟ ไม่มีแสงตะเกียงมาเป็นบุบบุบบุบเป็นเพลิงจากก้นกระทะนั่นคือแสงแห่งนรกหน้านิดตึงหมดเลยนะหน้าตึงไม่มีรอยยิ้มสักคนร่างบางคนตัวเป็นคน แต่หัวเป็นไก่หัวเป็นเป็ดหัวเป็นวัวเป็นมา้าเป็นควายเป็นสัตว์เป็นปลาเยอะแยะ แ, แ, แปลกเว้ยมันเป็นได้ยังไงนะทรมานแต่ละขุมแต่ละขุม น, ะน่าสะพรึงกลัวไปเย็นอยู่ขุมหนึ่งนายนิยาบาญก็บอกว่าพระคุณเจ้ากรรมที่ต้องได้รับ นี่คือนรกขุมนี่พิจารณาไว้ถ้าไม่ได้สร้างกุศลผลบุญไว้ตกนรกจะมาขุมนี้ด้วยวิญญาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพระเหลืองปิดพุทโธพุทโธพระเหลืองปิดขอให้มิตรอย่าลงไปกลัวริงนะเอาปืนสิบกระบอกจี้หัวจะมาบอกยิงมาเถอะแค่ตาย ไม่น่ากลัวหลังตายก็เกิดใหม่แต่ตรงนั้นเนี่ยน่ากลัวมากขนาดว่าเรามีสินยังขาดความมั่นใจนะทำฌ า, ามนมาเยอะก็ยังไม่มั่นใจต้องพุโทโธดีกว่าพุโทโธพุโทโธกลัวเผลอพุโทโธพุโทโธพุโทพโธดูเขาให้ยืนพิจารณากับ ถ้ากระแสของเราวิบากกุศลเราถ้าขึ้นถึงโสดาบันทุกกติก็ไม่ได้ลงเพราะอะไรเพราะจิตนั้นมีกูศลเป็นตัวส่งอยู่ตลอดไม่ให้จิตเศร้าหมองมันก็จะหลุดออกจากตรงนี้แต่กรรมนั้นมีไหมมีถ้าเกิดอีกวิบากกรรมเมื่อไม่ใช่ในนรกมันก็ต้องมาใช้ในมนุษย์จุดใดจุดหนึ่งมันจะเวียนกลับมาถึงบอกเออ แต่เรารู้แล้วพิจารณากรัมกระแสถึงบอกโสดามันไม่ทำบาปกมเมื่อบาปกรรมไม่ทำอกุศลเกิดไม่ได้กุศลเจริญอยู่ทุกเมื่อภูมิพบตรงนั้นเราตกลงไปไม่ได้แต่กรรมวิบากนั้นยังมีอยู่จำไหมนะกรรมวิบากยังมีอยู่ไ ม, ไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรเพียงแต่ว่ากุศลตรงนั้นมันมีกำลัง ที่ส่งอยู่เลยยังไม่ได้มาแต่เมื่อไรถ้าเราพลาดถ้าหลงแล้วก็แบบจมไปเลยนะทั้งของเก่าของใหม่หลงจ้องในคิดรวมหมดเลยโยมโดนเลยละทั้งบัตรทั้งเก่าทั้งสอกทั้งเติบด้วยนะอย่าล้มนะจริงบอกว่าอย่า ก, กินบุญเก่า แล้วอย่าสร้างบาปใหม่ถ้าโยมไม่เชื่อลองไปท้าดูแล้วเจ็บทุกอยาย้งมาบอกเออรู้แล้วฉะนั้นแม้จะนอนหลับเราก็จะไม่ปล่อยให้เผลอสติกําหนดจิตก่อนพอง่วงแล้วก็ว่าให้หลับอยู่ในสมาธิ เกิดคืนนี้ชะตาขาดทำไงหลับไปแล้วใครจะรับรองว่าเราจะได้ตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรับรองเราได้เลยแต่ถ้าจะไปเนี่ยอำนาจชาญคุ้มครองอยู่นะอำนาจชาญนี้ไม่ไปทุกขติอำนาจศีลคุ้มครองอานาจชาญคุ้มครอง จริงอยู่ว่าจิตยังไม่ดับศูนย์แต่ภูมิที่เกิดไม่ไปทุกขตกเอาอย่างน้อยเราก็มีสิ่งที่เราประกันไว้ก่อนวยามหลับก็อย่าประมาทกรรมวิบากมันจะมาตอนนั้นก็ได้เห็นไคนนอนหลับแล้วฝันร้ายดิ้นไหลไปเลยก็มีเศริดตาค้าง ตึงนขึ้นมาห้าชุโมงตายไปแล้วบางคนนอนอมยิ้มเลยไปเล ย, ยไปดีนี่เห็นสิ่งที่ตัวเองไปแล้วคือไปดีอารมณ์ดีเย็นสบายเห็นสิ่งที่ดีนั่นกูศ่วนเขาส่งอยู่ตรงนั้นและถ้าเกิดอีกและสร้างกูศ่นอีกกำลังมันก็มากมากมากมา ก, มา ก, มากบอก อ, อ เกลื อ, อยังไงมันก็เค็มแต่เกลือเม็ดเดียวโยนไปในโอง่งน้ำใหญ่ๆความเค็มมันก็เจอือจางอยู่ตรงนั้นแต่ยิความเค็มมากขึ้นอีกนะถ้าโยมสร้างบาปเพิ่มมาอีกเอาละกำลังมันมากนะพอมากเสร็จมันจะยือแล้วชุดให้เราตกลงไปงน่ากลัวเอาแค่นี้นะขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ ขอเจริญพร